ที่พวกเรามาที่นี่ซือมาเจริญสติมาเจริญปัญญาการเจริญสติการเจริญปัญญานั้นเดียวเจริญนิพพานาการเจริญนิพพสนานี่มันเป็นขั้นปัญญาไม่ใช่เป็นการรักษาศีลให้ทาน เมื้อ ก, การทำสมถะกรรมฐ า, านเหล่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นคนเราส่วนมากไม่สนใจเรื่องเจริญสติหรือเรื่องเจริญวิัสสนาจึงเข้าใจหลักพุทธศาสนานี่น้อยเกินไปไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเนี้จะบวชมาแล้วศึกษาแล้วเรียนพระไตรปิฎก ก็ตามทุกวันนี้ดูคนถือพุทธศาสนานั้นไม่ได้เข้าถึงเนื้อแท้ของพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาเปลือกเปลือกเท่านั้นเรื่องการทำบุญให้ทานนักศาสน์หรือทำสมถกรรมฐานนั้นเขาสอนกัน อยู่แล้วหรือสอนมาก่อนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ได้สอนเรื่องนี้ถ้าสอนเรื่องนี้ก็ต้องสอนทำซากเขาย่างที่ทำสมถกรรมาฐานจนได้อรุษานสมาบัติแปกผู้ที่เคยได้บวชเรียนเขียนอ่านต้องรู้ ไม่ใช่เป็นการทําบุญให้ทานนักษาศีลเม้เขาทําสมถะกรรมฐ า, านจนได้อารุปสารสมบัติแปกแล้วนั่นไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าสอนเรื่องทุกทุกคนต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกคําว่าสอนเรื่องทุกนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงสอนให้ไม่มีทุกนั่นเองดังนั้น คนเจริญนิพพานานั้นจึงขั้นปัญญาไม่ใช่เป็นขั้นทาบุญให้ทานรักษาสิ่งขั้นปัญญาขั้นรู้แจ้งรู้จริงและรู้จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้จำรู้จักรู้จำรู้จักนั้นมันรู้กับเพื่อนพูดให้ฟังหรือจำมาจากตำรับตำนา ถ้าเป็นการรู้แจ้งรู้จริงนั่นรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยญาณทัศนะเห็นแจ้งรู้จริงดังนั้นเรื่องนิพพานนี้เรามาพูดกันเรื่องนิพพานเรื่องไม่มีทุกข์คนมีทุกข์ไปนิพพานไม่ได้เพราะนิพพานมันเป็นเรื่องไม่มีทุกข์เท่านั้นเองคนใด ย, ยังมีทุกข์อยู่แล้วจะไปนิพพานไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดเรื่องการทาบุญ ไม่ได้พูดเรื่องการรักษาสิลงการให้ฐานอื่นๆไม่ต้องพูดเพราะว่าเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วสําหรับผมพูดนี่คือพูดเรื่องทุกเท่านั้นเองความทุกนั้นเราไม่เข้าใจว่าทุกไม่มีเงินทุกไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของเราเข้าใจกันอย่างนี้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นมหากษัตริย์ไม่เคยจนเงินไม่เคย จนอะไรทั้งหมดเลยแต่พระเจ้าเข้าจะว่าทุกข์คือความเดือดร้อนคือความโกรธความโลภความหลงนี่เองหรือความพอใจความไม่พอใจนี่เองพระเจ้าหาวิธีที่จะมาดับทุกข์เรื่องนี้วันนี้เราก็เลยไปทาบุญให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานเพื่อให้หมดอย่างนี้แต่มันหมดไม่ได้นี่แหละ พวกเราเคยศึกษาทำมาว่าทางมิใช่ทางเมื่อเราทําดูแล้วมันยังดับไม่ได้ก็หมายถึงว่าสิ่งนั้นยังไม่เป็นทางดับทุกข์แม้จะศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ยังดับทุกข์ไม่ได้มันก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองแบบ น, นี้ตรงกันข้ามเมื่อเราไม่ศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกก็ตามเมื <c oughs> ่อว่า ไม่ได้ทําอะไรก็ตามเมื่อศึกษาให้ทางดับทุกข์แล้วอันนั้นถูกต้องวิธีที่ผมจะนํามาพูดในขณะนี้เพื่อทําห้ผมเข้าใจกับพวกเราคือให้มีสติให้มีสติพระพุทธเจ้าท่านสนับสนุนเ ร, เรื่องมีสติเท่านั้นสิ่งอื่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สนับสนุน เ, เท่าไหร่เพราะว่ามันดับทุกข์ไม่ได้ความจริงแล้วความโกรธ ความโลภความหลงนั้นมันไม่ต้องมีเมื่อเราจะหาความโกรธความโลภความหลงจะไปหาที่ไหนเพราะมันไม่มีสมุติฐานมันมันไม่มีต้นเหตุมันไม่มีอะไรทั้งหมดเลยสมุติฐานต้นเหตุที่ทําให้ความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นคือเราขาดสติเท่านั้นเมื่อเรามีสติแล้ว โกรธข่มโลภคมล่คมหลงไม่ต้องมีดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจิงสอนให้เราเจริญสติคนขาดสติลงไปวินาทีหนึ่งก็ตามห้านาทีก็ตามชั่วโมงหนึ่งก็ตามสามารถทำให้เราเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นตัดเวลาสารก็ได้เป็นผีก็ได้มันเป็นอย่างนั้น นั้นคนใดที่ลืมตัวลงไปขณะหนึ่งนั้นเรียกว่าคนว่าคนไม่มีสติคนไม่มีสตินั้นท่านมาเปรียบอุปมาอุปมาว่าเหมือนกับคนตายแต่ไม่ใช่ตายหมดลมหายใจแนะตายจากคุณดีกม น, นามมันเนา่ามันเหม็นเหมือนกับอุจจาระไล่ไปผู้อุจลาระอีะด้วยคนไม่มีสตินี่สามารถพูดได้ ทำได้คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดผิด <c oughs> ได้ตามอารมณ์ตัวเองดังนั้นการคนมีสตินั้นสามารถทำให้เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพระเรียบคุคคลก็ยังได้คนใดมีสตินั้นเนี่ยพระบริเจ้าท่านสนับเสริญว่าเราคนหนึ่ง คือพุทธศาสนาหรือเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้ า, านั้นจึงว่ารู้จ ำ, ร, จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงนั่นรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยญาณสามารถบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมองเห็นสมุทฐานรวมทุกได้ชมทุกนั้นเกิดขึ้น เพราะเราขาดสติอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเรามีสติยัดยังสั่งใจได้แล้วกิเลสต้องเกิดขึ้นไม่ได้กิเลสมันไม่มีตัวไม่มีตนจะไปหาสมุทฐานมันได้ที่ตรงไหนพเพราะมันมันมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่เกิดเรามองไม่เห็นเมื่อเราขาดสติแล้วมันก็เกิดขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีสติ ควบคุมเอาไว้เมื่อมีสติแล้วมันสามารถบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นการพูดแต่วิธีทำนะ่ะทำอย่างไรวิธีทำนั้นเรามากำหนดรู้เรื่องรูปนามเมื่อเรากำหนดรู้รูปนามแนี่ยรูปนามนี่ก็ยังสามารถบังคับไม่ได้ยังไม่รู้สมุฐานคือความคิด ดังนั้นคนเราเป็นคนลืมตัวเกิดมาหลุดจากท้องแม่มาแล้วไม่เคยมองตัวเองเมื่อ ย, ยังเป็นเด็กเด็กก็มองมารดาอยากกินนมเมื่อเราเติบโตขึ้นมาก็หาของเล่นมองของเล่นเมื่อใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มองคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนั้นรวยคนนี้จน เมื่อเป็นพ่อบ้านแม่เลีล้ยงมันก็มองถึงลูกถึงหลานมองถึงไรนาอะไรต่างๆที่ประทาอันนี้ส่วคนลืมตัวบัด น, นี้วิธีที่ทําง่ายๆอย่างระดั บ, บจะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะให้ทานก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไปไหนมาไหนอยู่ที่ใดก็ตามคอยกําหนด ใจที่มันปลากดเกิดขึ้นเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความปลากดเกิดขึ้นนันมันหยุดทันทีมันไม่ถูกปรุงไปอันที่มันถูกปรุงไปนั้นมันเข้าหลักอวิชชาเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปาฏิวัว่าอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้คือไม่รู้ความคิดนี้เองไม่แต่ไม่รู้เงินไม่รู้ทองไม่อย่างนั้น อันมันรู้คิดกับมันเห็นผมคิดมันคนละเรื่องอันมันรู้คิดมันรู้คิดเป็นเรื่องเป็นลาวไปนั้นมันรู้ผมรู้อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าผมรู้ของอวิชชาผมรู้ของวิชามันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเหมือนกับหนูกับแมวถ้าหนูโพล์ออกมาแม่มันจับ เมื่อแมวจับแล้วหนูมันมันกระดิกตัวไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันโฟคิดขึ้นมาเรามีสติเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดมันไม่ต้องปูกฝูงไปอันนี้เรียกว่ามีสติรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้คนรู้อย่างนี้เป็นยังไงมันไม่มีทุกข์ความทุกข์ไม่ต้องมี คือความโกรธความโลภความหลงไม่ต้องมีความอิจฉาลิษยาเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมีเพราะคนมีสติแล้วเนี่ยนี่พราพุเจ้าสอนใอไ้ใสไม่มากที่เราทำกันทุกวันนี่เราไม่ได้ทำจุดนี้คือเราไปทำเพื่อตายแล้วต้องไปเกิดนิพพานหรือไปสวรรค์เราไม่รู้จักนิพพานมันก็ไปนิพพานไม่ได้ ไม่รู้จักสวรรค์มันก็ไปสวรรค์ไม่ได้สวรรค์คนบุรานท่านสอนเอาไว้อยู่ในตุกมันลกอยู่ที่ใจเพราะนิพนพานก็อยู่ที่ใจนี่คําว่าใจนี่มันไม่มีตนไม่มีตัวเราจะไปมองมากหัวใจนี่มันมันมองไม่ได้คือสําหรับจิตใจที่มันปรากฏมันนึกมันคิดขึ้นมามันราบซ่าอยู่ทั่วตัวมันอยู่ที่ตัวไหนไม่รู้ ไม่เห็นไม่เข้าใจเพียงเรามีสติมากำหนดควมคิดมันคิดขึ้นมามันจะคิดยังไงก็ตามเรากำหนดรู้ทันทีเมื่อเรากำหนดรู้แล้วควมคิดมันหยุดมันก็เลยไม่ได้ปุงอันนี้เรียกวิชาแปลว่าดูแจ้งรู้จริงรู้จักรู้จารู้อันนี้รู้จริงจริงคำว่าอาวิชชา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 เป็นโศกเปรตเทวทุกข์แน่รวนทุกคนอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วศึกษาไม่ยากไม่ลำบากลำบนอะไรทั้งหมดทุกคนจเจริญได้จะเป็นสนทราศไหนภาษาใดหรือศาสนาไหนข้อสามบวชก็ศึกษาได้ปฏิบัติได้ไม่บวชก็ศึกษาได้ปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน ผมเป็นโยมผมไปปฏิบัติธรรมะอันนี้ผมรู้ผมเป็นโยมไม่ได้เป็นพระเป็นเนนอะไรนะผมเข้ามาบวชนี่ผมเพื่อจะมาฟื้นฟูหลักปัจจธรรมคือควมจริงที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆดังนั้นผมจึงกล้ายืนยันรับรองได้ เพราะว่าเป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นพระก็ปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่คือที่ตัวเหล่านี้เองไม่ใช่ธรรมะอยู่ที่อื่นแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าธรรมะต้องอยู่นอกตัวไปเป็นสีเป็นแสงเป็นนรกเป็นสวรรค์เห็นนอกโลกไปอ น, นันต คนนั้นคือว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเพียงเข้าใจนึกเดาเอาเองเท่านั้นเองคนจริงธรรมนั้นวิธีที่เราจะรู้จักจริงๆริรู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงนี้มันต้องรู้เรื่องรูปนามรู้เรื่องรูปนามแล้วก็รู้สมมุติหรือรู้ทุกขังอนิจจงอนัตตานี่ รู้สมมุตินี่อะไรอะไรสมมุติทางนั้นจริงว่ามันมีมากเรื่องสมมุติมีสมมุติขึ้นมาเฉยๆแล้วก็สมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็มีปรามัตดบัญญัติแล้วก็มีอัฐะบัญญัติแล้วก็มีอริยบัญญัตินี่เป็นอย่างนีน้รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้จริงๆรู้เรื่องนี้ รับรองได้จริงๆ ร, รู้เรื่องนี้แล้วมันเกิดวิปัสนูขึ้นมาวิปัสนูแปลว่าอุปกิเลตวิปัสนูคือกิเลต์นั่นแหละตัวกเลตนั่นแหละคือวิปัส น, นูรู้นั้นรู้นี่เปรู้ไม่มีที่สิ้นจบเรื่องวิปัสนูรู้รู้อันนั้นอันนี้รู้นอกตัวรู้ในตัวจริงๆเรียกว่าอริยสัจพระสัจเป็นของจริง เนี่ยมันรู้จริงๆอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ผมเลิกได้ทันทีในขณะนั้นผมสูกบุรีที่ผมไปปฏิบัติพอดีผมมารู้เรื่องลนะูกนาผมเลิกได้ทันทีไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องจากใครที่ไหนเลยผีผมก็ไม่กลัวตั้งแต่บัดนั้นมามาคูบุรี เล่นการพ น, นันอะไรทั้งหมดนี่แหละเลิกได้ไม่สงสัยเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ค่้องแวะผีเทวดานี่ไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติพูดขึ้นมาเท่านั้นอันนี้เราไม่รู้จักสมมุติเราจึงกลัวผีกลัวเทวดากลัวนรกกลัวสวรรค์เราไม่รู้จักความจริงผีคือการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเท่านั้นเอง เทวดาคือการทําดีพูดดีคิดดีเนี่ยฮิริโอต ป, ปะเนี่ยเราพูดกันแต่เราไม่เข้าใจนรกคือความเดือดร้อนความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ที่ไหนไม่มีสุขถ้าหากนรกมีจริงตายแล้วก็ไปตนนกนรกเพราะมันมีความทุกข์พระพุทธเจาท่านสอนอย่างนี้สวรรค์นิพพานก็เหมือนกันถ้าเรามีสวรรค์มีนิพพานอยู่ในตัวเราแล้ว เรื่องตายนั้นอนะ่ะไม่ต้องสงสัยเพราะเรามีแล้วเราเข้าถึงแล้วตัวสัจธรรมแล้วก็ไปได้นั่นเป็นอยังไงเข้าใจอย่างนี้แต่ผมยังไม่ ย, ไมยังไม่สักซึงแต่รู้จริงๆเรื่องเนี้เลยว่ารู้จักรู้จํารู้แจ้งแต่ยังไม่รู้จริงยังไม่รู้จริงตอนที่ผมรู้จริงเนี่ยผมจะพูดความจริงให้ฟัง ในี่ยใครจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ในขณะนั้นผมเดินเดียวเดินจมกมเดินไปเดินมามันลุกตัวมันถ้าจะเปรียบอุปมาอุปมาเหมือนกับเรามีเข็มขัดล็อกผ้าเราไว้ผ้าเราหลุดตัวออกไปหลุดตัวไปมนก็หมดสิหมดผ้าผ้ามันก็หลุดออกจากเนื้อจากตัวเราไม่มีผ้าที่เนื้อที่ตัวเราอันตรา เมื่อผ้าหลุดออกมาเขาเบาตัวเมาทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่ผ้าจริงๆนะอันนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตหลุดพ้นแล้วในตำราเขาพูดอย่างนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วอย่าย่อมเกิดขึ้นย่อมมีงานเกิดขึ้นย่อมมีเนี่ยอันนี้เราไปเรียนตำลาเราไม่ปฏิบัติมันก็เลยไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็คิดพุ่งเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าโพรพระพุทธเจ้าหลุดจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันหลุดออกจากเราสิ่งนั้นมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีจริงๆเมื่อมันมีเราไปยึดไปถือเอาเรียกว่าอุปาทานนั่นเองเมื่อเรามีอุปท า, านนัก่กระยึดติดเท่านั้นดังนั้นคนติดนั้นจะไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ เรียกว่าอุปาทานมันยึดมันติ ด, ม, ตดมันเป็นเครื่องผูกพันเราอยู่อย่างนั้นดังนั้นที่ผมได้ให้ขอคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วเพราะจวนเวลาเราจะออกไปบิณทบาทแล้ว <c oughs> ถ้าหากมีโอกาสหรือมีเวลาดี <c oughs> จะพูดต่อไปแล้วก็มีมนุูย์ขู่เขาด้วย ก, กากมันได้วันนี้ที่อาตมา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 ทิฏฐิก็หมายถึงแปลว่าความเห็นจะเห็นผิดก็ได้เห็นถูกก็ได้เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าเห็นถูกต้องเมื่อเป็นนิสสัทิฏฐิก็เรียกว่าความเห็นผิดดังนั้นคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลทรสมถกรรมฐาน นึอเจริญนิปปสนานั้นก็มีจุดหมายปลายทางเพื่อจะทำให้สิ้นทุกขหรือให้หมดทุกนั่นเองคนเราเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ดินน้นรนกระเสือกกระสนหาวิธีทางที่จะทำให้พ้นทุกบางคนก็รู้จากวิธีทำให้ทานรักษาศิล เมื่อหมดเท่านั้นทางที่จะทําให้คนทุกข์บางคนก็มีความรู้หรือมีจิตใจคิดก้าวหน้าต่อไปก็เลยต้องไปทํากรรมฐานให้จิตใจสงบแล้วก็นึกอย่างนั้นว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์หมดเท่านั้นบางคนก็จะรีพิจานาจะเป็นพุทโธก็าตามอหารหังก็ตามนับหนึ่งสองสาม หรือพองยุบอนาปาอะไรเหล่านี้เมื่อได้ความสงบแล้วก็เรียกว่าถามพ้นทุกข์คิดว่าตัวเองได้เจริญนิพพสนาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นความสงบนั้นจึงมีสองอย่างความสงบแบบหนึ่งนั้นสงบใต้โมหะ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 สมมุติเหนืออุปมาให้ฟังเปรียบเทียมให้ฟังเหมือนกับเราไปที่มืดเมื่อเราจุดไฟขึ้นแล้วความมืดหายไปอันควรมรู้แจ้งน้อยๆควมรู้สึกน้อยๆที่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็าตามเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอความรู้สึกอันนี้แหละจะสะสมเอาไว้ เมื่อควารู้สึกอันนี้มีมากขึ้นมากขึ้นมันก็สามารถที่จะให้ลุกโลงความปรากฏเกิดขึ้นภายในกิจใจของแต่ละคนแต่ละคนเปรียบกับที่ว่าความแจ้งไลรความมืดหนีได้ความไม่รู้เมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วความไม่รู้ก็หายไป มันหายไปเองโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดฝันอะไรทั้งหมดเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนเอาไว้ว่าการทำว่มรู้แจ้งทำข่มรู้สึกในน้อยนี่แหละมันสามารถไล่ขโมมืดหนีได้หรือว่ามีบุญมีกุศลมีอนิสงฆ์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง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 ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาอยู่อย่างที่สอนกันว่าจะรลภิปัสนาแบบนั้นจะรลวิปัสนาแบบนี้อันนั้นก็ทูกเหมือนกันแต่ว่าทูกแบบนั้นกับทูกแบบนี้มันทูกไม่เหมือนกันถูกแบบนี้มันทูกแบบการเห็นแจ้งมันทูกแบบไร้ขมมืดหนีหรือมันทุกแบบไร้คมลุงผิดหนีได้อันนี้เรียกว่าไม่ใช่ทำขมสงบ ทำความเห็นแจ้งทำความนู่จริงทำความสว่างเกิดขึ้นภายในจิตในใจหรือในชีวิตของตัวเองไม่ได้มีความมืดแต่ที่จริงแล้วความมืดมันก็ไม่ได้มีมันมาผ่านเอาเสื่อข้างเส่วขาวเท่านั้นดังนั้นคนเราจึงไม่สนใจที่ตรงนี้เขเลยไปติดเอาความสงบเมื่อเป็นนั่ง ทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าใจว่าอันนั้นถูกต้องมันก็ทูกอยู่เหมือนกันถูกแบบนั้นมันไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนของพวกอาลาดาบทอุทกาดาบทแต่เมื่อสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้าไปก็ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่กับสองอาจารย์นี้ อาจารย์คนแรกสอนให้ได้สมาบัจจิดสมาบัจจดนั้นใครๆก็รู้ว่ารูปสารสีอรูปสารสามเมื่อได้รูปสารอารูปสารก็เข้าสารออกสารได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือน ก, นกันกับอาจารย์แต่ความหลงผิดรู้ความสว่างภายในใจิตใจนั้นยังไม่เกิดความหลงผิดยังมีอยู่เมื่อยังมีความหลงผิดอยู่ก็มีความสงสัยลังเล อันนั้นก็เรียกว่าทุกข์เมื่อได้สมาบัติจิตแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ถามอาจารย์ก็ว่าหมดคมรู้ไม่มีความรู้จะสอนต่อไปก็เลยไปเรียนจากอาจารย์คนที่สองชื่อว่าอุทกกดาบุตรเรียนกับอาจารย์นี้ก็ได้สมาบัติแปดเมื่อได้สมาบัติแปดนั้นใครๆก็รู้ว่ารูปสานสี่รูปประสานสี่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 สะสมควรู้สึกนน้อยอันนี้แหละก็เลยปรากฏขึ้นสมือนว่าไล้ความมืดหนีได้มีแต่ความสว่างความเห็นแจ้งความรู้จริงอันนี้เรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จำรู้จักดังนั้นความรู้จำกับควรู้จักกับควรู้แจ้งควรู้จริงนี้สี่รู้นี่แหละมันควรให้เข้าใจเอาไว้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 อันนี้แหละความทุกข์จึงว่าหมดได้ความทุกข์จร <us> ิงแล้วมันไม่มีมันไม่มีเลยเราไปเข้าใจว่ามีความทุกข์มีความโกรธมีความโลภมีความหลงเราเข้าใจอย่างนั้นความจริงแล้วความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงไม่มีก่อนที่จะมีความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงนั้นคือไม่มีการเห็นแจ้งไม่มีการ เป็นวันที่ยี่สิบตรงกับวันแรมสิบสามค่ำเดือนสิที่ผมเนืออาตมาได ม, มาแสดงธรรมหรือได้มาให้ข้อคิดคมเห็นอะไรต่างๆวันนี้เพื่อ พวกเราทั้งหลายจะได้จดจำนำเอาไปเป็นข้อวัดปฏิบัติในแนวทางที่จะทำให้ตัวเราพ้นไปจากความทุกข์ควมเดือดร้อนตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ <c oughs> ดังนั้นคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่น้อยแล้วก็ตรงกันข้ามต้องการตั้งแต่ความสุขความเจริญความเปล่าหน้าแต่บางคนหารู้ไม่ว่าความสุขความเจริญความเปล่าหน้านั่นทําอย่างไรโดยวิธีไหนบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจยกตัวอย่างให้ฟังในน้อยเช่นคนเรา รู้จักการทำมาหากินรู้จักการสอนคนนั้นรู้จักการสอนคนนี้แต่ไม่รู้จักตัวเรากินไม่รู้จักสอนตัวเราคำว่าไม่รู้จักตัวเรากินไม่รู้จักสอนตัวเรานั้นบางคนอาจจะทำไมี่ไม่รู้ก็กินเป็นนอนเป็นและทำเป็น ทำไมจะไม่รู้จักสอนอย่างนี้อาจจะเป็นได้ <c oughs> คือไม่รู้จักกินนั้นคนเอากินไปอย่างมอมมามเส้นกินโซลายาฟิน่นเฮโรอีนของขาวเหล่านี้ไม่รู้จักกินกินสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ร่างกายของเราอันนี้แปลว่าไม่รู้จักกินไม่รู้จัก เลือกคัดจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กินเข้ามาแล้วมันได้ประโยชน์แก่ร่างกายของเรานั้นกินจับควรสิ่งที่ไม่ควรกินนั้นคือกินเข้าไปแล้วมันทำพิษทำความเดือดร้อนให้แก่ร่างกายของเราอันนี้แปลว่าคนไม่รู้จักกินไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกินข้าวปลาอาหารไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่รู้จักสอนคือสอนคนอื่นเป็น แต่สอนตัวนี่ไม่เปล่นทำไมจึงสอนตัวไม่เป็นคือข่มโกรธข่มโลภข่มหลงเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราเราไม่เคยสอนตัวเราอย่าพึ่งโกรธอย่าโลภอย่าหลงไม่เคยสอนเลยไปสอนคนอื่นให้คนอื่นไม่มีข่มโกรธไม่มีข่มโลภไม่มีข่มหลงอันนั้นสอนคนอื่นได้ง่ายได้แต่ตัวเองไม่เคยสอนเลยอันนี้ก็น่าคิด ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคนอื่นนั้นท่านทำธุระของท่านให้หมดจดหรือว่าสิ้นไปแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีควา ม, ม, มเดือดร้อนและพระองค์ยังรู้จักส ม, มุธฐานต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของความทุกข์อีกด้วยและท่านก็นยังรู้จักวิธีที่ดับความทุกข์ความร้อนอีกด้วยอันนี้พระองค์สอนของพระองค์แล้วพระองค์จะไปสอนคนอื่น ที่จะเห็นได้ง่ายๆอย่างที่ผมเคยไปเห็นพระสงฆ์องค์เนรเป็นผู้นำเป็นผู้สอนประชาชนคนส่วนมากเขาลบนับถือแต่ตัวพระสงฆ์องค์เนรนั้นก็ยังไม่เคยลดละความโกรธข่มโลภค่มหลงผิดแม้แต่น้อยบางองค์บางองค์ก็ละข่มโกรธข่มโลภค่มหลงได้มากบางองค์ก็ละข่มโลภข่มโกรธข่มหลงได้อย่างสิ้นเสื่ก็มี อันนี้ไม่ได้ตำมีทั่วไปแต่ผมยกมาเล่าให้ฟังคือบุคคลผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์องค์เนนรับตำแหน่งคือทรงผ้ากาเสะวะพัฒนี่แหละเป็นผู้นำของโลกเป็นผู้นำของคราวาสญาตโยมและเราควรสำนึกมีขมละอายไว้ในใจว่าสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ต้องทำและสิ่งไม่ควรพูดไม่ต้องพูด แม่ผมไปเห็นเองในประเสริฐหน้าพระสงฆ์องค์เนนเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่อิสรด้วยนะเรื่องนี้เนเล็กเนรน้อยเข้าไปหาลายกาดที่สุดโตดอยากพูดยังไงก็พูดบางข้างบางเขาญาติโยมไปหาพูดคำยากิายก็มีแม่เพื่อนภิกษุสมณีไปหาก็เหมือนกันอันนี้แสดงว่าพระสงฆ์องค์เนรแบบนี้ไม่ควรสืบ ไม่ควรที่จะอยู่ให้มันลบลงดังในผ้ากาตวัตพัทของพระองค์แม่คนที่มาบวชมาทรงผ้ากาตวัตพัทของพระองค์นั้นพระองค์คัดเลือกจัดสรรหาบุคคลที่ดีแม่คนเป็นกากเป็นเลื่อนพระองค์ก็ยังให้ไปรักษาตากเลื่อนโรคภายนอกพระองค์ก็ยังให้รักษาจึงจะให้บวชอันนี้เราเป็นผู้นําไม่ควรที่จะแสดงอย่างนั้น ถึงแม้เรายังไม่ทันได้ทําให้สิ้นเฟืองเราก็ต้องหมดเวรได้เราต้องควรพยายามดูตัวเองไม่สมควรพูดก็ไม่ต้องพูดอันนี้พูดอย่างนี้จะหาว่าผมเนื้ออาตมามาพูดให้ในกลางประสมโซนข่าวนี้ไม่อย่างนั้นคือเอามาเตือนกันผู้กลมจริงใจแม่ครัาวาดญาติโยมก็เช่นเดียวกันจะสอนลูกสอนหลานไม่ควรสอนโดยที่มีขมโกรธ ข่มโรคข่มหลงสอนเขาด้วยข่มเย็นอกเย็นใจทําให้เขาดูโรคข่มสบายกายสบายใจอันนี้สอนเขาในขณะที่ตัวเองก็ยังมีความโกรธอยู่แล้วจะไปสอนให้คนนั้นไม่โกรธมันเป็นไปได้ยากหรือแถงว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องสอนตัวเราก่อนผู้เป็นบิดามารดาสอนลูกสอนหลานก่อนคายสือกันอันนี้เขามีคมทุก เราไปสอนเขาในขณะที่เขามีความทุกข์มันก็ไม่ได้เราก็มีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์เอาความทุกข์ทั้งสองอั น, นไปบวกเข้ากันมันก็เลยมากขึ้นความทุกข์นั่นก็เดือดร้อนระเบิดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นก่อนที่เราจะสอนลูกสอนหลานล้วก็อย่าให้มีความทุกข์สอนด้วยความสบายใจเมื่อเรามีความสบายใจสอนเขาเขาก็มีความสบายใจทั้งสองทางไม่มีความสบายใจแล้ว ไปบวกกันเข้ามันก็เลยมากขึ้นความสบายใจก็มากขึ้นทีนี้มาพูดกันอีกตืนเรื่องหนึ่งคือลูกไม่ฟังความพ่อความแม่อันนี้กวมหมายถึงว่าสร้างความทุกข์ให้พ่อให้แม่แม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วยังไม่พอยังสร้างความทุกข์ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนอีกด้วยผมเคยได้ยิน คนเฒ่าคนแก่พูดเอาไว้ว่าทุกในใดทั้งหมดในโลกนี้ <c oughs> ท่านว่าไม่เหมือนลูกทําชั่วลูกทําชั่วี่ทุกมากที่สุดลูกพูดชั่วทุกมากที่สุดลูกคิดชั่วคิดมากที่สุดทุกมากที่สุดท่านว่าอย่างนั้นทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวกินเหื่อนนอนก็ยังไม่ทุกมากเท่ากับลูกทาชั่วนะผมได้ยินอย่างนั้นอันนี้ก่อนหน้าที่ผู้เป็นบุ หลานควรที่จะแสดงตัวให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายให้พ่อแม่เรานอนตาหลับให้พ่อแม่เรามีความสุขบัดนี้ลูกก็เหมือนกันถ้าหากว่าพ่อแม่มีความทุกข์แล้วลูกก็ไม่สบายใจเช่นตัวอย่างผมเคยเห็นอย่างสามีภรรยานอกใจกันนี่ลูกมีความทุกข์มากที่สุดเพราะว่าน้อยหน้าน้อยตาจะไปเข้าสังคมไหนก่อน ลูกอย่างนั้นลุกคลผู้เช่นนั้นพ่อแม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ควรคิดไม่ควรทําไม่ควรนอกอ ก, อกนอกใจกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์มันสร้างความทุกข์ให้วงสังคมของเราแม่ลูกก็เป็นทุกข์พ่อก็เป็นทุกข์แม่ก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะักของเรื่องนี้เราต้องทํางานอย่างสุดจระิต จ, จริงจัง ทำงานอย่างตรงไปตรงมาความทุกข์มันก็ลดน้อยลงไปแม้ความสุขก็เหมือนกันบบบ น, นี้ความสุขใดๆทั้งหมดเลยท่านว่าอย่างนี้ถ้าหากลูกทำดีแล้วความสุขไม่จะมีเงินล้านก็ยังไม่ดีใจเพราะลูกทำควมดีมลูกทำควมดีทำดีพูดดีคิดดีแล้วพ่อแม่มีความสุขมากที่สุดได้เงินล้านเงินแสนก็ยังไม่ดีใจเท่ากับลูก ทำดีอันนี้ก็ควรสํานึกเอาไว้เสมอเหมือนว่าลูกสร้างเมืองสวรรค์ให้พ่อให้แม่พอแม่ได้ขึ้นเมืองสวรรค์แล้วแต่เมื่อยังมาถันตายเมื่อหากว่าลูกทําความสุขให้พ่อให้แม่เช่นนี้เมื่อตายไปแล้วพ่อแม่ก็นอนหลับตาลูกนอนตาหลับดีลูกก็เหมือนกันพ่อแม่สร้างความสุขให้ลูกก็ได้มันตรงกันข้าอยู่อย่างนี้ดังนั้นขอให้พวกเรา ศึกษาธรรมะเอาอย่างใกล้ๆธรรมดาข้าวมันต้องเป็นข้าวเปลือกแต่อย่างเป็นข้าวสารอย่างเป็นข้าวสุกเราตอนได้ความสุขต้องเด็ขั้น ต, นต้นๆเช่นเราทํางานทําการอย่างตรงไปตรงมาไม่ทุจริตไม่คิดคดทรยศไม่หักหลังใครอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วลึกๆเข้าไปก็เสียสละอัภัยให้เพื่อน บางทีเพื่อนเราทําผิดเล็กๆน้อยๆล้วก็เสียสละให้เขาบ้างเพื่อนเราก็เสียสละให้เราบ้างอันนี้ก็ถือว่าทําความสุขให้กันขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่นสูงขึ้นไปคนนั้นก็คือไปทําความสงบทางใจอืจิตใจสงบเรียกว่ากรรมฐานสมถกรรมฐานว่าอย่างนั้นพ่อแม่ปุยยาตายายสอนเอาไว้ว่า ไปทําสมถะกรรมาฐานให้ใจิตใจสงบหน่อยอันความสงบนั้นมีสองอย่างสงบแบบกรรมาฐานก็ดีแต่สงบแบบวิปัสสนาก็ดีสงบสมถากรรมาฐานนั้นร้อยครั้งพันหลก็ยังไม่เหมือนกับสงบอย่างวิปัสสนาข้างเดียวเมื่อพูดตอนนี้ก็มาพูดกันเรื่องทําบุญให้ทานอีกพักหนึ่งเพราะว่าเวลาของเรามาประสบพบเห็นกันหรือมาทากรรมาฐานที่นี่ เราต้องพูดตั้งแต่ต้นๆคนเราเมื่อการทำทานนี่ท่านผู้โลตัสอวอย่างนี้ทำทานร้อยข้างพันหนอนี่ส์งนั่นก็ยังไม่มากคือยังไม่ได้หลายหรือยังไม่เลศิศเท่ากับรักษาศีลข้างเดียวท่นการรักษาศีลร้อยข้างพันหนก็ยังไม่มีอเนสงไม่ประเสริฐเท่ากับ ทำความสงบขั้งหนึ่งท่านการทำความสงบนั่กนก็นกนคือทําสมาถะกรรมฐานนี่เองวันนี้ทําความสงบร้อยขั้งพันหนก็าตามยังไม่มีอนิสงส์เท่ากับการเสียสละอภัยให้แก่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี้ขั้งเดียวท่านไวอย่างแม้การทําความเสียสละให้เพื่อนของเรา ร้อยครั้งพันหนก็ตามยังมันมีอันนี้สงทเท่ากับความเห็นแจ้งท่านว่าอย่างนัไรดันงนั้นความสงบนั้นจึงมีมากมายหลายเรื่องอันควมเห็นแจ้งนี่แหละมันสงบอย่างแท้จริงอันควมเห็นแจ้งนี้วิธีทำนั้นเราไม่ค่อยรู้แต่เรารู้วิธีพูดแมนตัวผมเองที่พูดอยู่นี้ก็บางครัง้งบางข่าวก็ เอาได้บางครั้งบางขาวคนยังเอาไปได้แต่ผมนึกว่าผมจะสู้มันให้ได้ถ้าหากจะพูดตรงๆ ต, ตามคมเห็นหรือที่ผมเคยทำมาแล้วผมว่าผมสู้ได้อย่างน้อยต้องหกสิบตสิเรื่องนี้ดังนั้นความเห็นแจ้งกับความสงบนี้มันเป็นคนละเรื่องกันแต่มันก็ความสงบอันเดียวกันทำไมว่าความสงบอันเดียวกันสงบแบบนึงนั้นสงบใต้โมหะ สงบแบบหนึง่งสงบด้วยการเห็นแจ้งควเห็นแจ้งนี้พระพุทธเจ้าหรือท่านผู้รูกล่าวเอาไว้ว่าทำความรู้สึกตัวอันทำความรู้สึกตัวนี้ไม่ต้องการเป็นนั้งให้มันสงบไม่ต้องเป็นนั่งหลับตาทำการทำงานให้เห็นตัวเองทำควรรู้สึกตัวเองสมกับพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นธรรม พระพุทธเจ้าท่านตัดไปอย่างนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราคือเห็นตัวเรานี่เองเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นตัวเรานี่เองอยากเข้าใจว่าเห็นสีแสงหรือถีเทวดานรกสวรรค์อันนั้นเห็นธรรมะอันนั้นไม่ใช่คือเป็นการคิดเอาเองคือเราไม่เห็นความคิดนั่นเองเขาไม่เห็นธรรมนี้ พูดกันวันนี้เพื่อทำความเข้าใจกันคือเห็นตัวของเรากำลังทํากำลังพูดกำลังคิดนี้อันนี้เห็นทาส่วนหนึ่งเห็นทาส่วนลึกเข้าไปคือเห็นกำลังมันนึกมันคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งหรือบางครั้งบางคำมันคิดขึ้นไปเราเราไม่เคยเห็นคมคิดคือเรารู้ความคิดคิดเห็นอันนั้นคิดเห็นอันนี้อันนั้นแปลว่ารู้ความคิด มันเข้าไปในความคิดมันไม่สงบอันนั้นมันสงบแบบหนึ่งมันสงบอยู่ในอารมณ์อันนั้นอันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในขณะนี้หรือเดี๋ยวนี้ให้เราเห็นความคิดสะสมความรู้สึกความรู้แจ้งอันนี้ในน้อยนี่เนี่ยเสมอเหมือนว่าแสงพระอาทิตยอ์ออกมาและดอกไม้ก็บานได้ทันว่าบัวซีเรา มีดอกไม้มีดอกบัวเนี่ยมีแล้วแต่รอแสงตะเวนหรือแสงพระอาทิตย์ส่องมาเมื่อแสงตะเวนแสงพระอาทิตย์ส่องมาแล้วดอกไม้ก็ต้องบานได้ตามต้องการทันวัอย่างนั้นทีนี้ผมไม่ได้พูดเหล่านั้นคือดอกไม้จะเป็นสีดำสีแดงสีขาวสีอะไรก็ตามต้องบานได้ต่อเมื่อมีแสงแดดหรือแสงตะเวนพุ่งออกมา คนเราทุกคนสามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันถ้าหากมีผู้ชี้มาตรงๆแล้วคือความรู้แจ้งความเห็นจริงนี้คือทำสติจเจริญสติไปไหนมาไหนทำความรู้สึกกับตัวเองและทำความรู้สึกกับความคิดตัวเองอย่าเข้าไปในความคิดอย่าให้มันไปรู้คิดอันนั้นรู้คิดอันนี้คือให้เราเห็นความคิด คือคิดเห็นกับเห็นความคิดมันคนละเรื่องฟังให้เข้าใจตอนนี้เราคิดเห็นอันนั้นคิดเห็นอันนี้สมมติว่าเราเอาของไปวางไว้ที่นั้นที่นี้เราคิดเห็นอันนั้นมันคิดเห็นมันไม่ได้เห็นความคิดพอดีเห็นความคิดคือมันคิดปุ๊บขึ้นมาเห็นปั๊บอันนี้เห็นความคิดเราสะสมความคิดอันนี้น้อยที่ว่ามันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บอันนี้เราสะสมความคิดอันนี้ หรือสะสมส ต, สติปัญญาอันนี้เมื่อเราจะเลินสติอันนี้ความเห็นความคิดอันน้อยๆอยอันนี้แหละมันสามารถที่จะตักตุนไว้ได้หรือมันสามารถสร้างสมอบรมไว้ได้เช่นเมื่อว่าจะเลินจะเลินไปว่าทำบ่อยๆ อ, อันนี้แหละบารามีคาว่าปารามีนั้นคือปาละแบบพร้อมมีแล้วที่จะปรากฏให้เรา มีแล้วคือมีอะไรคือมีสิ่งที่มันจะปรากฏนั่นแหละพระพระเจ้าทันว่าการเขยา่าธาตุรู้ของบุคคลมีอยู่แล้วทุกทุกคนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีชนชาติไหนภาษาใดาก็มีมผ้าสีอะไรก็มีดังนั้นที่ผมพูดนี่เื่อไม่จำกัดสนสัณวณนนะวิชาความรู้ตะกูลจะเป็นคนไทยก็ตาม คนจีนก็ตามคนฝรังอันก็ตามแต่พูดแล้วให้ลูกความหมายหรือให้ลูกข้อวัดปฏิบัติหรือให้ลู่วิธีให้ลู่ความหมายให้ลู่ความคําพูดอันนั้นแล้วก็ปฏิบัติได้เมื่อเรามาดูความคิดอันนี้เนี่ยมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บไปไหนมาไหนก็ดูอยู่อย่างนั้นเนี่ยสะสมอันนี้ทันเดียวจะเลินจะเิญไปว่าทําบ่อยๆเมื่อวานสมมุติให้ฟังอีก เราไะ ป, ปลูกต้นไม้แล้วไปเพาะต้นไม้เอาน้าไปลดเมื่อไปลดมันกัต้องได้รับความอบอุ่นรู้ความเย็นก็เรียกว่าจเจริญเจริญ น, นั้นจึงว่าแปลว่าทำบ่อยๆไม่ต้องให้มันขาดช่วงขาดระยะขาดเวลาให้มันติดต่อมุนกันอยู่กับเหมือนนาฬิกานั่นแหละทําอย่างนี้อันสะสมความรู้แจ้งความเห็นจริงอันนี้แหละมีอันนี้สูงมากสามารถที่จะ ทำให้บุคคลคนนั้นเป็นพระเนียบุคคลขึ้นมาได้ดังนั้นควรมเป็นพระเนียบุคคลนั้นจึงไม่จํากัดจะนุ่งผ้าเสียอะไรก็ตามแม้จะเป็นผ้าสงฆ์องค์เนึก็ตามมันจะทําลายคมหลงผิดทําลายคมโกรธคมโลกคมหลงได้อย่างแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์เนนแล้วจะละจะทําลายคมโกรธคมโลกคมหลงได้อันนั้นมัน มันเข้าใจไม่ไม่ตรงเรียกว่ามันเข้าใจน้อยที่ทำอย่างที่ผมพูดนี้บว่ก็ได้ไม่บว่ก็ได้แต่เมื่อทำลายคมหลวงผิดทำลายคม โ, กคม โ, ก, คมโกคมโรคคมหลวงนี่แหละทุกจะไม่มีจะทำบุญให้ทานมีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่มาเห็นสมุทฐานที่ตรงนี้ดังนั้นการเห็นกับคิดเห็นมันจึงเป็นคนละเรื่อง เราต้องมาทําความเห็นแจ้งอันนี้แหละสมมุติคือเราอยู่ที่มืดเราจุดไฟขึ้นมาความมืดมันหายไปเองไม่ต้องไปไล่ความมืดอันนี้ก็เหมือนกันเราทําความเห็นแจ้งความรู้จริงความรู้แจ้งรู้จริงอยู่อย่างนี้ความมืดมันหายไปเองไม่ต้องไปพูดมันเอาความโกรธความโลกความหลงไม่ต้องไปสนใจมันเรื่องนั้น เดี๋ยวนี้เราทำบุญให้ฐานรักษาศีลเจริญกรรมาฐานก็าตามเราอยากไปปราบค่มโกคข่มโลกข่มหลวงนี้เองแต่มันปราบไม่ได้ถ้าหากทำไม่ถูกจุดไปแล้วมันปราบไม่ได้บบ น, นี้เราไม่ต้องไปสนใจมันจะไปปราบก็ได้ไม่ปราบก็ได้เรามาทำข่มลูกสึกขมเห็นแจ้งขมลู้จริงอันนี้แหละเป็นเนื้อแท้เป็นแกนแท้เป็นทางนัดนัดเป็นวิธีปฏิบัติอย่างสั้น ไปไหนมาไหนก็ทําได้เด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้แม้นคนแก่คนตลาก็ทําได้ใครๆทําได้ทั้งนั้นอันนี้แหละหลักทุทธศาสนาสอนอย่างนี้อันนี้แหละเป็นวิธีดับทุกเป็นวิธีดับความหลงผิดจริงๆเพราะการเห็นแก้การดูจริงอันนี้แปลว่าควมสงบความสงบแบบนี้มันไม่สงบเหมือนกับเป็นนั่งภาวนาพุทโธ เมื่ออรหังหรือสัมมาอรหังของยุปานาปามันไม่ใช่สงบแบบนั้นสงบแบบนั้นสงบเหมือนกับไปอยู่ในถ้าจุดไฟขึ้นแล้วความมืดมันหายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในความมืดอันนั้นคือเมื่อเราไปอยู่ในถ้ามันไปอยู่ในความมืดแต่เราจุดไฟขึ้นแต่มันไม่มืดเฉพาะหน้าเราเท่านั้นแต่มืดมันอยู่ข้างหลังหรือมันอยู่ในความมืดนั่นเองมืดมันอยู่กับเราเราก็อยู่กับความมืด อันนั้นสงบแบบความมืดสงบใต้โมหะอยู่กับโทสะโมหะโลภะสงบแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือสงบแบบผมนำมาเล่าสู่ฟังเดี๋ยวนี้นี้สงบแบบออกจากถ้าหรือออกนอกถ้าออกจากความมืดสงบแบบการเห็นแจ้งอันนี้มาเห็นแจ้งรู้จริงนั่นเป็นยังไงทีแรกเราต้องรู้จารู้จนํนกาต้องรู้จัก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 คำว่าคิดเห็นนี่คือคิดเห็นอันนั้นคิดเห็นอันนี้คิดเห็นในกรคิดเห็นในขอเส้นเมื่อเมื่อเมื่อกีวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่คนเดียนออกมาด้วยกันห้าคนเป็นคนอินเดียเป็นคนแขกเนี่ยสามคนแล้วกัเป็นคนไทยสองคนผมถามเดนนี้มีแฟนแล้วหรือยังมีแล้วเขาว่าอย่างนไรคนไทยก็มีเหมือนกันคนอินเดียก็มีเหมือนกันถามในลูกกี่คน คนอินเดียคนแขกนั่นน่ะมีลูกสองคนผู้ชายทั้งหมดคนนึงว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแต่คนไทยนี่มีมีผู้ชายทั้งหมดแล้วแฟนไปที่ไหนแฟนไปซาอุไปทํางานที่หนึ่งซาอุอย่งนี้คิดถึงแฟนไม่คิดถึงคิดเห็นหน้าเขาไม่คิดเห็นนี่เขาวนะ่ายังแล้วคิดเห็นลูกไม่คิดเห็นอันนั้นมันคิดเห็นมันไม่ได้เห็นขมนคิด คิดเห็นเขาคิดถึงเขาไม่คิดถึงคิดถึงเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อคิดเห็นกับเห็นมันไม่เหมือนกันคิดเห็นนั้นมันปรุงเป็นเรื่องเป็นราวทาอย่างนั้นวันนั้นทําอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนั้นมันคิดเห็นอันนั้นมันปรุงเรียว่าสังขารปรุงแต่งเห็นความคิดนั้นคือพอดีมันนึกว่าจะเห็นหน้าแฟนมันเห็นปุ๊บความคิดมันหยุดอันนี้เรนว่าคมสงบแบบนี้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 เมื่อเราไม่เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นความรู้มันจึงมีสองอย่างเมื่อเราไม่เห็นไม่รู้ปฏิบัติมันก็ไม่ถูกไม่ตรงรู้ผิดปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดแล้วมันก็ได้คมทุกข์ควมเดือดร้อนเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งแล้วเราปฏิบัติถูกต้องตรงดีมันก็ได้รับผลอันที่ดีนั่นแหละดังนั้นที่ผมได้มา แนะแนววิธีปฏิบัติอย่างลัดลัดอย่างประทันหันเอาไปใช้กับการกับงานไม่จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ให้ดูควมคิดให้เห็นคมคิดแล้วไปทําการทํางานตามพ่อบ้านแม่เลือนของเราอย่าไปทํำทุจริตผิดถิงผิดธรรมมัไม่ดีแม้เป็นครูโรงเรียนก็เหมือนกันเราก็ต้องดูคมคิดเรากําลังสอนนักเรียนนักเรียนกําลังทําอะไรต่างๆเราต้องดูใจเรา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 เราไม่สนใจอย่างนี้คือเราสนใจที่อยากดับทุกข์วิ่งหาเงินหาทองต้องการซื้อเสียงยศหาบรรดาสักมันก็เลดับทุกข์ไม่ได้เพิ่มภูมคมทุกข์ขึ้นมามากขึ้นทุกทีทุกทีแน้ที่สุดพระสองฆ์องค์เองก็เหมือนกันปรากฏบ่อยๆตามหน้านังสือพิมพ์ฆ่ากันตายหรือปุ้นกี้กันตายขมขืนกันอย่างนั้นอย่างนี้มีบ่อยๆเรื่องนี้ ดังนั้นคนไทยถือศาสนาพุทธให้มีความสำนึกมีความละอายไว้ในใจไม่ควรที่จะให้มีอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่หรือบ้านเมืองของเราอย่างเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เดือดร้อนมันก็ไม่สมกับที่ว่าพุทธศาสนาเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้เป็นใจกลางของคนไทยอ่ามันก็เลยจะไม่สมอย่างนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนช่วยกันทาการทางานตามหน้าที่ ของเราแล้วการงานของเราก็เลยกล้าวหน้าลุล่วงไปได้คนอื่นมาเห็นก็เออเมืองไทยนี้เย็นดีสุขกายสบายใจดีเข้ามาแล้วไม่เดือดร้อนดูใครที่ไหนก็ย็นเยี่ยมแจ่มใสพูดอะไรทําอะไรให้อภัยกันได้ยับยั้งสั่งใจได้คนไทยนี่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมันก็เลยสงบไปความสงบไม่น้อยเราก็ต้องสร้างเอาไว้ ความสงบอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ต้องสร้างเอาไว้ที่สุดสร้างความสงบจนเรียกว่านิพพานก็ได้นิพพานนั้นไม่เสว่วตายแล้วจึงจะเอานะไม่เหมือนกับคนอย่างที่พูดไปโดยไม่รู้สึกตัวนะี่ตัวย่าตายายท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมังกรอยู่ที่อกที่ใจเรานี้ไม่ใส่ตายแล้ว จึงจะไปเมืองสวรรค์ไปเมืองมีพานอยู่ั้นนั้นซนนี้ตรงจนข้ามเมื่อทําผิดไปแล้วตายไปแล้วจึงจะไปตกมาลกใต้ดินอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นลกใต้ดินขยับชูเที้ยบสนใจมันเมืองสวรรค์อยู่บนฟ้าท่านมีพานอยู่บนฟ้าก็จะไปสนใจมันเรามาสนใจดับทุกข์ดับคลกลงโกรธโกลมโลภโกลงในขณะนี้ พระพุทธเจ้าหรือท่านพุทธู่ท่านสอนเอาไว้อดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วอย่าคํานึงคํานวณอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าไปคํานึงคํานวณเราต้องแก้ปัญหาปัจจุบันกําลังมีทุกข์อยู่นี้อย่าให้มันเกิดขึ้นมาทําการทํางานโดยไม่มีทุกข์ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ตีเองเมื่อใส้เป็นสมบัติของจัดบริรักา์จัดบราานะิรักษ์น่ะมันเอาไม่ได้ มนุษย์มันหน้าที่ที่จะเอาไปใช้กับการทางานได้แต่คนเราไม่ก็เหมือนกันแต่หน้าตาเป็นคนแต่จิตใจมันเป็นสัตว์รัานก็ได้ที่มันทำผิดกูดผิ ด, ผดมันคิดอิจาริษยาทรยศหักหน้าหักหลังคนนั้นคนนี้อันนั้นจิตใจเป็นสัตว์สาราคือมันไม่รู้จักอายในใจมันนั่นเองคือมันไม่เห็นใจนั่นเองเช่น ส, สามีภรรยาก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าผู้ใกล้ๆนะ เดียวก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้อันนั้นมาไม่มีกลมละอายในใจคือมันไม่เห็นจิตเห็นใจมันคิดเห็นดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะให้เป็นเทวดาก็ได้เป็นอินเป็นพมก็ได้ที่สุดสร้างให้ตัวเองเป็นพระอเจ้าก็ได้ถ้าหากทําดีตรงกันข้ามทําผิดแล้วสามารถเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้ ล้วจะเห็นได้ทันทีอย่างที่มนุษย์ไม่มีอายเนี่ยทำยังไม่มีอายพูดยังไม่มีอายคือไม่มีเครื่องประดับเนื้อประดับตัวนั่นแหละคำว่าเครื่องประดับเนื้อประดับตัวนั้นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้า